อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการธรรมารั บ, บรุณค่ะเริ่มในเวลาตีห้ถึงตีห้ครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่วนกรุงเทพมหานครนี้2ขนาดคลื่นด้วยกันนะคะคือ fm 9 2 5าสิเมกะเฮิร์ส์ am ก็8 9 1ร้อกิโลเฮิร์ส์ค่ะแล้วก็สําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในเครือข่ายของเราอีกประมาณ1น0่กว่าสถานีทั่วประเทศนั้นก็ได้รับสัญญาณรายการธรรมราบรุนเพื่อที่จะส่งเสียงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะดีๆนี้ไปให้ท่านฟังทางบ้านทั่วประเทศได้รับฟังแล้วก็อนโมทนาบุญกันนะคะรวมทั้งได้ความรู้ดีๆจากรายการธรรมาราบรุนที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจาวันของเราได้เป็นอย่างดีทีนะคะและ ในเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างนี้ซึ่งวันนี้เราพบกันก็เป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะคือวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ําเดือน12อนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้น15ค่ําเดือน 12. ของซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าเป็นวันรอยกระทงนะคะในทุกๆปีที่ผ่านมานั้นเนี่ย ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่เป็นแหล่งเริ่มต้นของพิธีรอยกระทงอย่างเช่นนางนพพรมารหรืออะไรต่างๆอ ย, าง อ, อย่างเช่นจังหวัดสุโขทยัยอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยเราก็จะได้เฉลิมฉลองแล้วก็ตั้งตารอคอยวันรอยกระทงกันเพราะว่าก็มีบทเพลงอยู่นะคะว่าลอยกระทงวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ําก็นองเต็มเตลิงอย่างนี้ค่ะทุกปีก็สดชื่นดีนะ่ย แต่พอ ใ, ในปีนี้เนี่ยดนนคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักกันดีคะ่ะว่าในปีนี้นั้นเราโชคไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะแล้วก็มีเรื่องของการที่เรานั้นเหมือนกับไปทาลายสมดุลของทางธรรมชาติมากเกินไปดังนั้นเนี่ยในปีนี้ไม่ว่าแต่ประเทศไทยนะคะทุกประเทศเกือบทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแทบเอเชียตวันออกเฉียงใต้ของเราหรือที่เอเชียนั้นนะคะก็ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรงกันทั้งสิ้นเลยมีพายุเข้ามามากมายและอย่างช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็ได้ผจญกันเรียกว่าเรามีอยู่76จังหวัดนะคะห้ากว่าจังหวัดของประเทศเราก็เรียกว่าเกินกว่าขึ้นของประเทศนั้นพี่น้องประชาชน ต, ต้องลําบากลําบน เกี่ยวกับเรื่องของการที่ประสบอุทกภัยต้องมีการอบตุยกันบ้าง อ, าอยู่ในน้ํากันเป็นเดือนๆบ้างนะคะซึ่งในวันที่เราสนทนากันวันนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่หพฤศจิกายนนั้นเนี่ยเดชคิดว่ายัางมีพี่น้องอีกเป็นจำนวนมากในหลายจังหวัดนะคะรวมทั้งในกรุงเทพมหานครในบางส่วนน้ําก็ยังนองอยู่นะคะหลายท่านก็อาจจะยังคงสภาพของผู้อพยุกันอยู่ดังนั้นในเช้าวัน อาทิตย์นี้ซึ่งรายการธรมรมาราปบะรุนมาพบกับท่านผู้ฟังนั้นดีฉันก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังมาสาักษาหรือสนทนาธรรมะดีๆมารับฟังพร ะ, าพระพอาจารย์ไพบุตรอภิบุญโนค่ะท่านเป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระครูหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวภาะโสดหรือท่านพระครูสิทธิปภากรนะคะท่านจ้อยบอกว่าปวป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะก็มีข่าวดีที่จะเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันนะคะว่า ด้วยจิตเมตตาของพระเดชพระปุณโณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโทภโสพระอาจารย์ไทบุญอภิปุนโนนะคะก็ได้มีการปรึกษาหารือกันว่าก็จะได้เปิดให้วัดป่าดอนไหโ่โศกที่ตําบลดอนไหโ่โศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนั้นเป็นแหล่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าอยากจะอบอาพยพหรือรีภยัยไปพักท่านก็ยินดีนะคะเรามาสนทนาแระก็สักถามประเด็น นี้จากพระอาจารย์ภัยบุ์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะเผื่อว่าท่านหลายท่านที่สนใจจะได้อ่าไปที่วัดป่าดอนไห่โศกันนะคะกราบนััสฑการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเชิญบอลาทุเจ้าค่ะที่โยมเกิดมานั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อ่าได้กราบเรียนถามพระอาจารย์ภัูบุญอภิปุโนก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันนะเจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ใจเมตตาที่จะชี้แจงเลยเจ้าค่ะว่า ความเป็นมาที่หลวงพ่อและพระอาจารย์เองหรือว่าคุณแม่ชีสุภตราสุวรรณสิงห์ได้ปรึกษากันว่าจะให้ทั้งวัดป่าดอนหโศกของเราได้เป็นสถานที่ที่จะใช้ในการที่จะพักพิงได้เจ้าค่ะเหมือนกับอพยพไปอยู่ได้ลี้ภัยไปอยู่ได้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างเจ้าค่ะที่มนต์เจ้าค่ะก็คือตอนตั้งแต่มาช่วงตั้งแต่กรินในช่วงกรถิ่นที่ผ่านมาก็มีลูกศิษย์หลายหคนที่ไม่สามารถมาร่วมงานกระถินได้นะเพราะว่าประสบปัญหาอุทกภัย อแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการเตรียมตัวเตรียมการอะไรกันหลายอย่างทั้งที่ที่กรุงเทพนะที่เราก็ได้มาหลังจากการกระถิ่นเรียบร้อยแล้วก็ได้มาประชุมปรึกษากันว่าเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไงก็มีความคิดว่าไอ้ทางวัดนี่เราก็มีเนื้อที่เยอะอยู่แล้วเราก็เคยเปิดเป็น ลักสูตการรเครนอยู่เป็นประจําทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าเราจะเปิดเป็นศูนย์ให้พักพิงสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยก็สามารถทําได้เราก็ศูนย์พักพิงของผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะยังอยู่ในบริเวณที่เขามีอุทกภัยกันนะมากบ้างน้อยบ้างแต่ก็ยัง <Okay. S 1> ไม่มีศูนย์ที่อยู่ภายนอกนะหรืออยู่ก็อยู่น้อยก็เลยคิดว่าเออเราตั้งที่นี่ให้เป็นศูนย์พักพิงแล้วกันใครจะต้องการมาก็มาได้ น, น้ำอาหารที่พักอะไรเราก็จัดเตรียมไว้ให้แล้วก็มันจะได้ไม่ต้องกังวลคุณเดินใจเวลาอย่างเราอยู่บ้านนะสมมุติว่าตอนนี้น้ํายังไม่ท่วมเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยน้ายังไม่ท่วมหรือว่าท่วมนิดๆใ น, น, นในบ้านยังแห้งอยู่ถนนมีนิดๆหน่อยๆมันจะนอนไม่หลับคุณเตืนใจเดี๋ยวตีหนึ่งตื่นละเอาน้ําจะมาไหมน้อตีหนึ่งไปบังคับตัวเองให้หลับไปเดี๋ยวตีหนึ่งยีมันตื่นอีกแล้วว่าบัคอยมันกังวลอยู่ต่อเวลา ต่อให้คุณไปอยู่ในศูนทปักพิงของเขาเนี่ยถ้ายังอยู่ในบริเวณที่ยังมีน้ําท่วมอยู่เนี่ยมันก็จะมีความกังวลบ้างบ้า ง, างน้อยบ้างนะทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าถ้ามีศูนย์ที่อยู่ภายนอกอย่างที่จังหวัดอุดรธา น, นีอย่างเงี้ยฝนไม่ตกมาสิบกว่าวันแล้วคุณเทินใจแล้วก็แล้วก็ดินนี่แห้งไปหมดแล้วจกนกระทั่งเจ้าไสเดือนทั้งหลายนี่ที่มันอยู่ในดินนะนะมันอยู่ในดินไม่ได้อีกต่อไปเนื่องจากดินมันแห้งมันก็ต้องออกมาเลื้อยยุกเยกยุงเยกอยู่แถวนี้เต็มไปหมด ใช่นะค่ะแล้วก็ในบริเวณนี้เราก็มีสถานที่พักอะไรต่างเตรียมไว้ให้พร้อมแล้วก็ระเบียบการปฏิบัติอะไรต่างก็จะแตกต่างกับการมาลิกเล่นปฏิบัติซึ่งก็จะไม่เหมือนกันหละเพราะฉะนั้นเรื่องระเบียบอะไรต่างก็ค่อยมาดูเอาก็ได้ทีนี้ว่าถ้าต้องการจะมาหรือว่าต้องการจะมัคคัพ พ, พิงที่นี่นะคือนอกจากจะพักทางกายแล้วนะคือเตือนใจเราก็ยังเป็นที่พักทางใจด้วย ซนะึ่คงคาสั่งบริเจ้าบอกว่าให้ให้มีการปล่อยวางอนะตรงนี้เราก็จะช่วยได้มาวัดมาอยู่ที่วัดดีกว่าค่ ะ, ะผู้ประสานงานของวัดก็คือคุณสุภาพ ส, สกุลมีศักดิ์ให้โทรมาได้ที่หมายเลขศูนยะ์แปดเก้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งคุณสุภาพสกุลมีศักดิ์แล้วก็ได้ปรึกษากันแล้วมีการเตรียมการหลายอย่างนะทั้งที่พักอาหารน้ําก็มีไว้จุ๊บค่ ะ, คะ ก็อยากจะขอกราบนักมาตการถามพระอาจารย์ไพบุญเจ้าค่ะว่าสําสหรับที่พักที่จะสามารถให้คนไปพักพิงเป็นที่เหมือนกับลี้ภัยไปในเรื่องของท่านที่ประสบอุทกภัยนะเจ้าคะาจะมีได้รับได้สักประมาณเท่าไหร่เจ้าคะ่ะประมาณ500ร้อยคน500้ราร้อยคนเลยเรไหว<ช>ไม่มีปัญหาแล้วก็อาหารน้ํามีได้อยู่ตลอดช่วงที่มันน้ําท่วมหรือว่าจะอยู่ต่อไปก็ได้ แล้วคือจริงๆที่พักพิงเนี่ยเป็นที่พักพิงทางใจเนี่ยเราเปิดอยู่ตลอดเลยเรามีหลักสูตรการเรียกเลีนอยู่ตลอดอยู่แล้วเปรียบสมือนเป็นที่พักพิงทางใจแล้วก็จะพูดได้ว่าศูนย์พักพิงนี้ก็จะเปิดไปเรื่อยๆแหละให้พักพิงทางใจไปด้วยเจ้ค่ะทีนี้โยมขอกราบอนุ ญ, ญาตเรียนซักถามแทนท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าค่ะหลายท่านอาจจะบอกแล้วก็ทราบกันดีว่าวัาวาดป่าดอนหายสุกเนี่ยเป็นวัดที่เป็น เป็นสายป่าถูกไหมเจ้าคะเรียกว่าเป็นพระธรรมยุทธแล้วก็จะเคร่งมากในการปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนะเจ้าคะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติว่าอย่างนั้นเถอะอย่างนั้นก็จะฉันเพียงมื้อเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเปื่อโยมไปพักอย่างนี้เจ้าก็คงจะต้องทานหลายมื้ออย่างนี้ทางวัดไม่ลําบากแย่หรือเจ้าคะหรือเตรียมการอย่างไรเจ้าค่ะหลับนิมนต์เจ้าค่ะคือเรื่องนี้เราปรึกษากับกรรมการวัดทั้งหมดนะนะคือไม่ใช่ว่าหลวงพ่อองเดียวหรือว่าธรรมารูปเดียวแต่เราคุยกันเพราะว่า มันจะต้องมีคาวาะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทั้งโยมวัดทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็สามารถสนับสนุนได้คือพอเราเห็นพี่น้องประชาชนประสบปัญหาอย่างนี้เราก็เสียใจอะ่ะแล้วเราอยู่ทางนี้เราไม่รู้จะช่วยยังไงมันแห้งอยู่แล้วก็คิดว่าให้เข้าไม่พักพิงตรงนี้ได้แล้วก็ถึงแม้มันจะไกลหน่อยคืออมาวังว่าไกลเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องกงังวลแล้วก็เป็นบริเวณที่มีครูบาอาจารย์อยู่มีคําสอนของพระเจ้าอยู่ นะคือศูนย์พักพิงต่างๆที่จะมาเห็นเนี่ยก็จะอยู่เฉยๆนะครับกลางวันก็นอนตอนเย็นก็นอนมีของมาแจกก็รับรับไปนะไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้เขาได้มีที่พึ่งทางใจด้วยนะคือดูแลแค่กายอย่างเดียวแต่ใจเนียยังปล่อยให้ว่างอยู่เพราะฉะนั้น <Okay. S 1> ถ้ามีตรงนี้เนี่ย <Okay. S 1> ก็เลยคิดว่ายังมีหลวงพ่อครูบาอาจารย์อะไรต่างเทศสอนใหนะ้บริเวณต่างๆที่จัดไว้แล้วก็จะแยกเป็นส่วนโซนผู้ชายผู้หญิงนะแล้วก็ เรื่องการสนับสนุนเนี่ยก็ทางโยมวัดแล้วก็บุคคลต่างๆก็จะช่วยๆกันในเวลานี้แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะให้ผ่านวิกฤตไปได้เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ไงคุณเตือนใจอาตมาต้องการจะพูดให้ฟังคือคือถ้าเรามาเปรียบเทียบนะอย่างคนไทยอ่ะเราปกติเราจะกินกัน3มือคราว่าตนะพระก็จะ <Okay. S 1> รับประทานกันมื้อเดียวพนะระบางส่วนก็จะรับประทาน2มือ้อ นะเรามาดูยกตัวอย่างเอาอย่างเด็กแอฟริกาโจนจนมากๆเข้าปลาอาหารไม่มีกินก็นะสัปดาห์หนึ่งนะอาตมาเคยดูสารคดีเขาสัปดาห์หนึ่งเจวันเนี่ยเขากินข้าวสครั้งนะวันจันทร์ครั้งหนึ่งกับวันพฤหัสครั้งหนึ่งแล้วครั้งหนึ่งที่เขากินเนี่ยก็เนทะ่ากับฝายฝาฟมือหนึ่งประมาณสักหนึ่งทับพีเนี่ยแล้วเขาก็มีชีวิตกันอยู่ได้โนะตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอะไรกันแต่ผอมหน่อยนะหรือพระสงฆ์ <c oughs> พระสงฆ์เราเนี่ย ในะบางทีกุบาจารย์ท่านอดข้าวเวันนะแวันฉันที1หรือ2อวันฉันทีหฉันวันเว้นวันตลอดปัญษาก็มนะีหรือว่าหลายๆรูปก็ฉันวันละมือนะคือคื อ, คอตรงนี้เราจะพูดอาตมาจะพูดถึงอะไรประเด็นที่เราจะพูดตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะคุณตนใจ เ, เวลาที่เราเทําจิตเนี่ยคือถ้าจิตเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสติที่เรามีเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นความอดทนได้ คือถ้ามันมีกินสามมือเรากินสามมือได้ถ้ามันมีกิน2มือเราก็กิน2มือได้ถ้ามันมีกินวันละมือเราก็กินวัอละมือได้ถ้ามันมีกินวันเว้นวันอย่างเงี้ยเราก็กินวันเว้นวันได้คือเรายังไม่ตายหรอกนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะอดบ้างอะไรขาดแคลนบ้างนะมันเป็นธรรมดาใครๆเขาก็โดนกันถ้างนั้นเราจะได้ไม่ต้องมีปากมีเสียงเขาเรียกว่ามีความกระฟัดกระฟืกระด้างกระเดึ๋งแสดงความกลัความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏถ้าเรามีสติรักษาจิตอยู่ตลอดเวลา เราก็เอื้อเฟื่อเกื้อกูลกันสมัยก่อนนะคุณตุลยใจที่ประเทศไทยตอนนั้นทางมุกดาหารทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นก็เื อ, อยังเป็นทุ่งกุลาร้องห้าอยู่ะที่ยังไม่มีโครงการอีสานเขียวอะไรเนี่ยนะอีสานนี่แห้งแล้งมากๆากครับกูบาอาจารย์สมัยก่อนที่ท่านอยู่กันอย่างลวงตามหาบัวอ่างเงี้ยท่านเคยเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยนั้นมันแล้งขนานดะที่เรียกว่าบางวันไปบินทบาทได้แต่ข้าวเปล่า นะข้าวเปล่าหรือบางวันจะมีกับข้าวนี่ก็มีมะเขือลูกหนึ่งเอามาผ่า ก, กันสี่ส่วนนะมีพระสี่องค์พอดีองค์หนึ่งได้หนึ่งส่วนสี่กินกับข้าวขเ้เหนียวคุกกันไปกินแค่นี้ท่านก็อยู่กันได้นะเป็นหลายๆปีนะมีชีวิตกันอยู่แค่นี้คือนี่พูดถึงอะไรพูดถึงความความสันโดษความสมรรของท่านอันนี้ไม่ได้หมายความว่าวัดเราเป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่แต่หมายความว่า <c oughs> ความสันโดษ <c oughs> น, นี่คือประเด็นที่เราจะต้องพูดถึงความสันโดษนี่มาจากอะไรมาจากสติที่เรามีคุณตือนใจรู้ไหมว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราอย่างคนที่น้ําท่วมเนี่ยเวลาที่น้ํามันขึ้นมาเนี่ยเห็นน้ําอยู่หน้าบ้านเอามาแล้วแวบๆครึ่งชั่วโมงเท่านั้นมันถึงเอวเราแล้วโอ้โหมันขึ้นเร็วขนาดนี้นะเวลาจะหยิบจับข้าวของเราไม่ได้มีการเตรียมตัวเนี่ยมันไม่ทันเลยจะเอาชีวิตก็ยังไม่รอดถึงเวลานั้นเนี่ย ถ้าจิตเราเนี่ยเร า, าไม่เคยฝึกเนี่ยเราจะไม่รู้เลยอย่างอย่างที่อาจมาเคยเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อตอนที่ผ่านๆมานะเรานั่งอยู่เมืองไทยอย่างเงี้ยเราอ่าดูทีวีเมื่อตอนเดือนมีกุมภาพันธ์าที่ผ่านมานะที่ญี่ปุ่นเขามีสึนามิใช่ไหมมีทั้งอ่าน้ําท่วมมีทั้งแผ่นดินไหวอากาศหนาวกุมารตรงังสิงี่ยโรคภยัยไข้เจ็บอาหารขาดแคลนแต่เขาก็ยังอ จัด ก, การของเขาไปได้อะนะทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเรานั่งอยู่เมืองไทยสมมติอาตมาอยู่อยุธยาอาตมาเป็นคนอยุทยาสมมตินะเราไปนั่งอยู่ที่อยุธยาเราดูหนังดูข่าวแหมเมื่อเดินมีนานี่เราโอ้รู้สึกสงสารเขาจับใจเลยนะความเดือดร้อนใจของเราเนี่ยจะไม่มีมากเท่ากับตอนที่น้ำมันมาถึงท่วมหัวเราแล้ว ตอนที่น้ํามันท่วมหัวเราแล้วขณะที่เราอยู่อยุธยาเนี่ยเราจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าตอนที่เราดูทีวีเห็นญี่ปุ่นกับน้ําท่วมกันเนาะเอาอย่างนี้จ้าค่ะเพราะว่ามาถึงตัวตัวเองแล้วใช่เรามาถึงตัวตัวเองแล้วเอาทีนี้ตอนที่อาตมาย้ายมาอยู่กรุงเทพละ่ะสมมุติตอนนี้อาตมาเป็นคนกรุงเทพนะอาตมาก็ดูข่าวโอ้โหอยุธยาท่วมถึงหัวเลยเหรอแม้เราอยู่เราอยู่กรุงเทพนี่ยังไม่ท่วมนะยังแห้งดีอยู่นั่งดูข่าวอยู่ชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วเราไปเปรียบเทียบกัน เราบางเราดูข่าวญี่ปุ่นกับดูข่าวอายุธยาตัวเองอยู่กรุงเทพนะความเดือดร้อนเนี่ยเราจะพบว่าเราดูข่าวอายุทยาเนี่ยเราจะเดือดร้อนมากกว่าตอนที่เราดูข่าวญี่ปุ่นใช่ไหมคือหมายถึงว่าเดือด ร, ร้อนใจนะมีความเดือดร้อนใจว่าเอ้ฉันจะต้องทำอะไรบ้างละฉันจะต้องเตรียมการยังไงรับข่าวยังไงเพราะมันใกล้ตัวเข้ามาลนะเอามาเปรียบเทียบอีกกรณีที่3มนะคุณอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมแล้วคุณก็เห็นแล้วว่าดูข่าวแล้วว่า สมมติบ้านฉันอยู่ในกรุงเทพชั้นในอย่างนี้นะอุย๊ยดอนเมืองาลาดเปล่ามันท่วมหมดแล้วนะตายแล้วเราจะมีความเดือดร้อนใจมากกว่าตอนที่น้ํามันเพิ่งท่วมที่อยุธยาแล้วก็มีความเดือดร้อนใจมากกว่าตอนที่น้ําท่วมญี่ปุ่นแน่นอ น, นเพราะฉะนั้นมันจะไล่มาเป็นลําดับไล่มาเป็นลําดับความเดือดร้อนใจตรงนี้นะคือความตื่นตระห น, อ น, นอกในการที่เราจะต้องมาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วคุณตื่นใจลองคิดดูคุณอยู่สมมติอยู่กรุงเทพชั้นในนะแล้วคุณลองคิดดูว่า คนที่อยู่บางบัวทองเขาไม่ได้มีการตรียมตัวอะไรมากสมมุติว่าเขาดูข่าวคิดว่าเอายังปลอดภัยอยู่เนี่ยอีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยน้ามันท่วมถึงอกแล้วเนี่ยแทบจะเอาตัวไม่รอดความเดือดร้อนใจตรงนั้นเนี่ยเขาจะยิ่งมากกว่ามากเลยเพราะฉะนั้นประเด็นที่อธตมาต้องการจะพูดก็คือว่าเราเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องร้อนใจในภายหลังนะสมมุติว่าเราถึงจุดที่น้ํามันท่วมตัวเราแล้วเนี่ย เท้าเปียกอยู่อะไรต่างๆเสียหายไปหมดพัดไปหมดเนี่ยคุณจะทําจิตยังไงเนะี่ยคุณจะทําจิตยังไงนี่คือประเด็นอ่าก็ต้องถามท่านผู้ฟังอย่างนี้นะีอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างที่เฉยนะเป็นกรณีที่จะมาให้ศึกษาไวา้สมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าเราจะตายอีก12เดือนเนะี่ยด้วยเหตุการใดสักเหตุการณ์หนึ่งอาจจะเป็นหมอมาบอกเราว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้คุณจะตายไปในอีก12เดือน นะคุณลองคิดดูว่าใน12เดือนนี้คุณจะทําอะไรบ้างบางคนอาจจะคิดว่าฉันจะไปเขียนหนังสือสเล่มหนึง่งนะไปเที่ยวรอบโลกหรือไปทำอันนั้นอันนี้ตามที่ตัวเองคิดนะหรือว่าเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้เก็บพิธีกรรมอะไรก็ว่าไปอพอคุณคิดเรียบร้อยแล้วนะตัดสินใจว่าหนึาทีจากนี้คุณจะทําอะไรนะเก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บไว้ก่อนนะอันนี้คือกรณีที่1กรณีที่2สมมุติบอกว่าไอ้ที่12เดือนเนี่ยไม่ให้แล้วนะ ให้แค่7จวันพอหมอมาบอกว่าสมมติเป็นโรคนะหมอก็บอกว่าวินัยใช้วินยยัยใช่ผิดวินยยันยใชย้ผิดขอโทษคุณจริงๆเหลือเวลาแค่7วันถ้าเรารู้ว่าอีก7วันเราจะตายเนี่ยนะคุณจะทําอะไรนะคุณลองคิดดีๆซึ่งข้อมูลการกระทําตรงนี้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนที่12เดือนนะคือ7วันเนี่ยไม่มีเวลาจะเขียนหนังสือสเคลมโดยซ้ำนะแค่ไปธนาคารไปที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวรอบโลกอ่ะไม่มีเวลาละ นะมันจะโทรหาใครจะคุยกับใครพรุ่งนี้เช้าคุณจะไปทำงานไหมคุณลองคิดให้ดีๆนะจะไม่เหมือนกับตอนที่เราคิดว่าเรารู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่สิบสองเดือนแต่แล้วตัดสินใจมาว่าหนึ่งนาทีจากนี้คุณจะทำอะไรเราจะพบว่าหนึ่งนาทีของตอนที่เราทราบว่าเราจะมีชีวิตอยู่เจ็ดวันเนี่ยกับหนึ่งหนึ่งนาทีของตอนที่เราทราบว่าเราจะมีชีวิตอยู่สิบสองเดือนเนี่ยหนึ่งนาทีตรงเนี้ยจะใช้ไม่เหมือนกันชกค่ะอืม ทีนี้เจ้าค่ะอะ เ, ะเวลามันสั้นกับยาวต่างกัน อ, อมันงวดเข้ามาแล้วนะทีนี้ตอบว่าถามว่าอีกกรณีที่สามนะกรณีที่สามคือว่าเอาตอนนี้เจ็ดวันก็ไม่ให้ละให้สามวินาทีสมมุติเขาเอาปืนมาจาะหัวเราแล้วบอกว่าเธอจะตายไปในสามวินาทีนะเขาก็เอามือนิ้วโป้งเนี่ยเกี่ยวไล่ลั่นกายปืนใช่ไหมเขา เ, าเรียกอะไรที่ตรงล็อกอยู่ตรงหัวมันนะหัวปืนแล้วก็จะเอานิ้วชี้ยิงเราละเรามีเวลาไม่ถึงสามวินาทีนะในการที่จะ อตอบสนองตรงนั้นถามว่า3วินาทีตรงเนี้มีเวลาไม่ถึง1นาทีโดยสามีลาแค่3วินาทีตรงเนี้คุณจะทําอะไร3วินาทีตรงนี้สามวินาทีตรงนี้เราไม่มีเวลาแม้กระทั่งว่าจะมาคิดว่าคนนั้นคนนี้เป็นยังไงนะเราต้องหลับตาแล้วก็รวบรวมสติทําใจให้นิ่งตลอดนะถ้าคนที่รับการฝึกมาแล้วนะเขาจะไม่มีเวลามาสนใจใ<ช>ว่าเออคนนั้นคนนี้จะเป็นยังไงเธอทําไมทําอย่างนี้กับฉันฉันขอชีวิตเธอหรือว่าฉันต่อไปฉันไม่มีเวลาคิดเรื่องนี้เลย เรามีเวลาแค่สามวินาทีะังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เรียกว่าจิตที่คุณจะต้องมีณตอนนั้นเนี่ยที่เราจะรู้ว่าเราจะตายภายใน3มนาทีเนี่ยให้จิตอย่างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นจิตที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเราจะไม่มีเวลามาเล่นไม่มีเวลามาคิดเรื่อง บ, า บ, า บ, าบา้าๆบอๆไม่มีเวลามาคิดเรื่องที่ฟุง้งซ่านอะไรต่างๆเลยเพราะฉะนั้นจิตตรงนี้เป็นจิตที่จะต้องมีสติตัวอย่างนี้พระเจ้าเคยยกเอาไว้ นะเปรียบเหมือนกับบุคคลที่เป็นนักโทษคนหนึ่งนะเราก็ถือบาตใบหนึ่งถือหม้อใบหนึ่งหนะม้อนี้ใส่น้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากบาตเลยถึงขอบปากหม้อนนะเราก็มีเพชฌฆาตคนหนึ่งเดินตามมาข้างหลังเพชฌฆาตคนนี้ก็บอกว่าเอาละ่ะถ้าเธอทําน้ํามันที่อยู่ในหม้อ น, นี้หกแมสแต่หยดเดียวนะฉันจะบันคอเธอทันทนะีในขณะนั้นเขาก็พานักโทษคนนี้ขนย้ายจากเมืองด้านตะวันออกไปถึงเมืองด้านตะวันตก ตรงกลางเมืองก็มีการละเล่นนั่นนี่ยังมีสิ่งทำอะไรที่น่าน่าเพลิดเพลินตาเพลิดเพลินใจอยู่ทั้งหมดเลยนะพระพุทธเจ้าก็ถามว่านักโทษคนเนี้จะทําจิตยังไงจะไปสนใจเรื่องสิ่งรอบนอกตรงนั้นหรือว่าจะมามัวสนใจแต่กับเจ้าบาตรเจ้าหม้อเพื่อไม่ให้น้ํามั น, นมันหกลงมาพิสูจทั้งหลายก็ตอบว่าก็ต้องสนใจที่หม้อสิ ที่ม้อที่เต็มไปด้วยน้ามันไม่ให้น้ำมันเนี่ยหกลงมาแม้แต่หยดเดียวเพราะไม่งั้นจะถึงความตายนะเช่นเดียวกันนะจิตของเราเนี่ยเราต้องรักษาให้เหมือนกับเราเราจะตายไปในอีกสามวินาทนะีคือเราไม่แน่ใจเลยนะคุณเดินใจอย่างเช้าเนี่ยอาตมาตื่นขึ้นมาเนี่ยอาตมาก็หายใจพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็มีสติอยู่ในลมหายใจปุ๊บเราก็หายใจเฮือกโอ้เราใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งวันแล้วเราไม่แน่บางทีความตายเนี่ยมันใกล้เรามาก อย่างคนที่เขาอยู่ในน้ําอย่างเงี้ยเขาถูกไฟดูดอะคุณเตืนใจเขายังไม่ตอน2อสามวินาทีแรกเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเอ๊ะมีอะไรมาตำตำขานะมีเหมือนเข็มมาทิ่มขาเจ็บเจ็บไปหมดเลยยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองอาจจะถูกไฟดูดนะจนกระทั่งผ่านไปสักระยะหนึ่งอ้าวฉันถูกไฟดูดนะ่ะจะมาคิดเรื่องนั้นเนี่ยไม่ไ ม, ไ ม, ไม่มีโอกาสเลยนะียเพราะตัวเองจะตายอยู่แล้ว หรือว่าบางคนที่ทพระเจ้ายกตัวอย่างถึงบุคคลที่ถูกไฟไหม้หัวอยู่บุคคลที่ถูกไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่เนี่ยแทนที่จะรีบดับไฟก่อนนะคุณต้องรีบมารู้อริยสัจก่อนมารู้อริยสัจทั้ง4ก่อนทําตัวเองให้พ้นทุกข์ก่อน mm hmm. คือจิตเนี่ยต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาน mm ี hmm. ่ยแล้วจิตที่มีสติอยู่ตรงนี้นะคุณเตนใจประเด็นยอดมาคือตรงนี้ว่าถ้าจิตคุณทําจิตอย่างนี้ได้นะแล้วคุณยังมีเวลาอีกสัก7วันนะคุณจะสามารถ แก้ไขปัญหาได้คุณเจอสิ่งที่คุณไม่ชอบใช่ไหมคุณจะอดทนได้คุณเจอกับอาหารมื้อเดียวใช่ไหมคุณก็กินได้คุณเจอกับอาหาร3ามื้อใช่ไหมคุณก็กินได้คุณเจอกับคนที่ไม่ชอบใช่ไหมเราก็อดทนได้คุณเจอกับหัวหน้าใช่ไหมเราก็ทํางานอย่างดีคุณเจอกับลูกหลานใช่ไหมจิตแบบนี้ใช่ไหมก็จะเป็นความรักความเมตตาเจอกับพ่อแม่ใช่ไหมก็จะเป็นความกรุณาปราณีเป็นความกตัญญูนะเจอกับเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเพื่อนฝูงใช่ไหมก็จะกลายเป็นคนที่ประพฤติดีกับมิตร เป็นคนที่ไม่โกงหกไม่หลอกลวงเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นด้วยจิตแบบนี้ที่เรารู้ว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเราไม่มีเวลาพลาดเลยเราสถานการณ์อย่างนี้มันจะทําให้เราเห็นว่าเออเรารักษาจิตยังไงถ้ามีคนเอาปืนมาจาะหัวเราบอกเธอแล้วคนที่เจาะหัวนี่นะเอาปืนจาะหัวอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่สามารถอ่นานวาระจิตของเราได้ด้วยนะบอกเธออย่าคิดเรื่องบาปบาๆนะเธออย่าคิดเรื่องไม่ดีนะไม่งั้นฉันจะยิงเธอทันที โอ้ยเราไม่มีทางคิดเรื่องไม่ดีเลยคุณตืนใจเลยเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นจิตแบบนี้แหะเป็นจิตกลัวอย่างเดียวเจ้าค่ะสิ่งสิ่งที่เราต้องกลัวตรงนั้นเนี่ยคือกลัวบาปนะกลัวบาปที่มันจะเกิดขึ้นพอเรากลัวอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะทําจิตให้เราให้เป็นเป็นจิตที่ไม่มีอกุศลธรรมอยู่ได้แล้วเจอเหตุการณ์ไหนนะเจอเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่นะเราจะเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้อ่ามีสามมื้อก็ กินอย่างที่ไม่เพลิดเพลินรุ่มหรองยินดีมีมือเดียวก็อยู่ได้คุณอื่นอยู่ได้ทํำไมเราจะอยู่ไม่ได้นะมีอาหารพอเพียงพอกินอยู่ได้คุณเตือนใจแล้วก็สถานที่สถานทางเราก็ไม่ได้ต้องห่วงอ่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยแล้วคือไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องให้คุณมาลําบากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นเลิศหรูวิลล์สมาร์ทหล้าเหมือนอย่างโรงแรมห้าดาวหกดาวมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นนะในขณะเดียวกันก็จะไม่ลําบากถึงขนาดว่านอนกลางดินกินกลางทรายอย่างนั้นหรอก เจ้า mm hmm. ค่ะก็เรียกว่าทางวัดป่าดอนไหสุกนั้นก็มีกุฏิต่างๆนะเจ้าคะที่เป็นเรือนพักสําหรับคนที่มาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วก็เรียกว่าพร้อมที่จะใหะ้ท่านผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยนะเจ้าคะ mm hmm. ที่จะไปะพักกินได้ตามที่ทางวัดรวมทางท่านเจ้าอาวาสคื อ, อพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภกร รวมทางพระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนโที่ได้ปรึกษาหารือการภายในวัดนะเจ้าคะยมคิดว่าสําหรับทางพระอาจารย์เองนะเจ้าค ะ, ะพระอาจารย์ก็คงจะต้องอทําให้คนที่ไปพักพิงอยู่เนี้ยเจ้าคะนอกจากจะมีอาหารทานอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาชี้แจงมาแล้วนะเจ้าคะก็คือว่าเรียกว่าไปเนี่ยไม่อดแน่นอนมีอาหารทานอย่างชาวพรวาวดล์ล่ะแต่ว่าก็ต้องไม่คาดหวัง ว่าแบบว่าจะต้องดีเด่นหรืออะไรมากนะเจ้าคะแต่ก็เรียกว่าตามพื้นบ้านเรามีอะไรทานก็อย่างนั้นละได้ทานนะคะแล้วก็อีกอย่างนึ่็คือโยมคิดว่าพระอาจารย์ก็คงจะมีเวลาที่จะสอนธรรมะด้วยคือสอนให้มีสติด้วยใช่ไหมเจ้าคะอาจจะเป็นการดีสำหรับท่านแต่หลายท่านที่หลเล้นไป <c oughs> ไปอยู่ที่วัดอย่างนั้นเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากวัดป่าดอนไฮโศก หลังจากอุทกภัยผ่านพ้นไปเนี่ยยศคิดว่าคงจะเเกินกว่าครึ่งนะเจ้าคะจะต้องมีจิตที่ที่ดีขึ้นสงบขึ้นแล้วก็หันเข้าหาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นนะเจ้าคะ่ะแล้วก็เรื่องอความเป็นอยู่น ะ, อ, ะอยู่ที่บ้านยังไงมันก็สบายใจในความอยู่ที่บ้านใช่ไหมถ้าเราจะมาอยู่ที่ที่เป็นศูนย์พักพิงนะเราก็จะให้สบายใจในเรื่องของการที่ได้รับธรรมะส่วนเรื่องปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ เอาเท่าที่มันพอจะเป็นไปได้นะก็คงจะไม่สบายเหมือนกับอยู่โรงแรม5ดาวนะอาจจะสบายกว่าอยู่ที่บ้านหรือไม่สบายเท่าที่บ้านแต่ยังไงก็ให้สบายใจได้นะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่คอยบอกสอนธรรมะอยู่แล้วก็เราก็พยายามจะช่วยเหลือกันให้มากที่สุดแหละสังคมไทยเวลานี้เราต้องช่วยเหลือกันสามัคคีกันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ไพบูพุญอภิปุนโน ซึ่งเปรยียบเสมือนตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดราเพืสะอาดที่โทผโสท่านเจ้าอาวาสวัดปาดอนหายโศ ซ, ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศอํเอาเภอนงค์ฮานจังหวัดอุดรธานีฝากไว้ในรายการธรรมารับป ร, รุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันนี้นะคะโยมอยากขอความเมตตาพระอาจาร ย, ย์ไพบูล์ได้เรียนชื่อขอและเบอร์โทรศัพท์ที่ถ้าหากว่าสนใจจะไปพักพิงที่วัดอีกสักครั้งนึงนะเจ้าคะ เพื่อว่ามีท่านผู้สนใจจะได้จดลงเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะติดต่อกับคุณสุภาพสกุลมีศักดิ์ได้ที่หมายเลข0ูนย์4 6ด7 1้าเก้าสี่สี่หกสี่เจ็ดหนึ่งแล้วก็ฝากข้อความหรือว่าคุยกับคุณสุภาพสกุลมีศักดิ์เพื่อจะได้รับรายละเอียดการเดินทางหรือว่าแจ้งจำนวนคนที่จะมาได้วันที่อะไรต่างๆติดต่อมาได้เเจ้าค่ะก็ยินดีต้อนรับเลยนะเจ้าค่ะาสาธุเจ้าค่ะ ท่านผู้ฟังคะดิฉันคิดว่ารายการธรรมารัปรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันที่แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้คงจะทําให้ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการนั้นเนี่ยฟังแล้วก็มีความรู้สึกนะคะว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่พี่น้องชาวไทยเราทุกหมู่เหล่านะคะไม่ว่าจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้าหรือว่าเป็นอาสาสามัครต่างๆทหาร ต, ต, ต, ต, ตำรวจข้าราชการประชาชนทั่วไปก็คงจะต้อง หันมาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะก็เรียกว่าน้ำท่วมแต่ว่าน้ำใจของเรานั้นเนี่ยเหนือกว่าเหตุทั้งหลายแหล่ที่กำลังเราผจนอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เรียบร้ายเหล่านี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เขาก็บอกกันด้วยว่าฟ้าหลังฝนนั้นมักจะสว่างสดใสเราก็หวังว่าเราจะนาประเทศของเรานะคะ ภายใต้การนำของรัฐบาลก็จะทําให้เราไปสู่วันที่สดใสในเวลาอันใกล้นี้นะคะค่ะเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนําทุกฟังกล่าบขอพวกคุณแล้วก็กล่าวน้อมรสมรลาพระอาจารย์พิบูลอภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไฮโฉวเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับก็มาพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าคือเสาร์ที่12และอาทิตย์ที่13พฤศจิกายนค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเสาร์หน้าอาทิตย์หน้านะคะสําหรับในเช้าวันนี้มากล่าบขอพวกคุณ และกราบน้อมสักการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนพร้อมกันเลยนะคะกราบน้อมสักการและกราบขอบพระคุณเจ้า่ะพระอาจารย์เจ้าขาธูเจ้าค่ะ